ธรรมะาที่พระเจ้าเจ้าทรงแนะนำทรรมสอนสตัดตาเอองไม่ได้เอาออกมาจากที่อื่นเอาของที่มาหยุดมีอยู่มามาแนะนำตัดของที่ไม่มีพระเจ้าเจ้าก็หา ไ, ได้เหมือนกันกับพวกเรา เพของไม่มีจะหาเท่าไรมันก็ไ ม, ม่มีอยู่นั่นเองของถือมงออยู่แต่เทาว่าเราไม่สะ่าดก็ไม่สามารถที่จะทำให้เป็นสาระประโยชน์ได้นี่พระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้สละคนคิดเช่นนิ้จะจะรีนาธรรมะซึ่งมีอยู่กับโลกนาสอนโลก ให้รับตามวมเย็นเป็นสุขเป็นสามารถถอดถอนที่เหลือซึ่งมีอยู่ในใจออกไปได้ธรรมะที่พระพุทธเจ้านำมาตั้มสอนก็ไม่เช่อื่มซึ่งมีอยู่ในโลกและมีอยู่ในบุคคลสดวกไป อย่างทานก็คือของมีอยู่พระพุทธองคนะ์เนี่ยนำคำสอนให้บริจาคการบริจาคทาน <c oughs> เป็นการ ส, สละที่หิต อ, อย่างหนึ่งซึ่งสิทก็อยู่ในหัวใจของเรา เรียกว่ามั ต, ตรยะทานปณิหงแหนในสมบัติพัตติฐานเมื่อให้ทานออกไปความหงแ ห, งเหนเหล่านั้นก็จะหมดไปเพราะขาดสมาติทั้งหมดการให้ทาจนจึงจนการตัดตังมนในส่วนที่เราได้ให้ไป ส่วนใดที่อยู่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราส่วนนั้นแหละจะทำให้เรากังวลในการรักษาดูแลการให้ทานใช่เดทานเป็น อ, อกเนใจูในเสียใจอย่างเข้ามาขาโมยเอาพระพุทธเจ้าออจึงว่า้านสละให้ทานวนการบุญกานกุศล คนที่ให้ทานได้ชื่อว่าเป็นผู้กลางสายคเป็นผู้มีสเสน่ห์เพ้าสมาคมคนทั่วไปบ้าใยสะดวกสบาย่า ง, กาางไกจากใครอันตรายต่างๆเพราะการให้ทานสงฆ์คนอื่นก็คือสงฆ์ตนเองค น, อนคนที่ได้รับ สงฆ์คราอ น, นุฆาจากเราเราจะได้เยื่ยมเยียนเขาเขาก็่าจะต้องสอนรับเราเหมอนอนดังเราสอนรับเขาเมื่แหละอนิสงส์ปัจจุบันคันตาคือว่าจะไปสถานที่ใดสะดวยสบายใจเราให้เขาอย่างไรเขาก็จะต้องให้เราดัางนั้น เรามาบ้านของเราเราสอนรับเขาดีเราไปบ้าน ข, าขาองเขาเขาก็เสร็จสรับอนรับเราดีเหมือนกันเศรนั้นเขาคิดเจ้าจึงสอนให้ทำการให้ทานการให้ทานนี่แหละเป็นตัวสำคัญ เ, เป็นบาลียงสนที่ท่านคุทยเจ้าเขกจะทำมมชนมาจนถึงว่าก่อนที่จะตัดรู้เป็นทานุ้ยเจ้า พระองอค์ก่าให้ทานม้วนสันแต่ให้ทานสั้นประมติทื่ให้ทานอย่างสูงสุดก่อนที่ขึ้นนั่งบันลังในลมไม้ศีลมหาโพดถ้าองค์ทรงอธิษฐานเอาว่าเลือดเนื้อในตายจะเหียดแห้งไป ออ ก, ก็ต่างเหลืวแต่เอ็กระดูกกอตามถ้าหากเราไม่สมรรถเจริญเพระว่าใช้จ่ายมื่อไรจะไม่ลุกหนีจากที่ที่เราเคยฝันให้ตามฝันประมาสละละวานชีวิตอินทรีย์มีความเห่วงใหในชีวิต จะเ่มหายตายไปต่อตามถ้าคุณงามทานดีในส่วนนี้ถ้าองค์ไม่ยอมหนีจากที่เป็นการให้ทานอย่างใหญ่โตละหโหสานนี่พวกเรา <c oughs> ให้ทานไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็จะพากันทาทา น, นการกุศลมีการ ต, ตักบาตรจังหันทำกันอยู่ทุกวันทุกเวลาก็ อ, อกัก เรื่องที่บวกพัญหาได้ได้ตามขั้นตามภูมิขงสนที่สละออกได้ทานจึงเป็นเรื่องอันหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าแนะนําคําสอนสัตว์หรือศาสนาของพระพุทธเจ้าทึ่งจะดํารงทรงอยู่ได้ก็อาศัยการให้ทานเป็นลักแกวของพระพุทธศาสนาเชตุสามเณน ในประเทศไทยของเรามีจำนว น, นมากไม่เคยทำนาท่าขายอะไรอาศัยชาวบ้านมีศ ร, รัทธาทาการให้ทานทางนั้นชีวิตสองขั้นยืนอยู่บ้างถ้าหากขาดกาทะนุนถนอมขาดการเคียสละไม่มีศรัทธาให้ทานยึดตัวสามแม่เมือก็อยู่ในวัดวาศาสนาไม่ได้ ก็ทำคุณงานกามดีอะไรต่อไปก็ทำไม่ได้เพราะหัวใบเสกศีลของที่สุขมีนะไหมหากเขาทำนาเองเขา่าขาวโองยึดจับเงินใบทองจึงเป็นอุตยะเ้าจะไปเจ้ากองแห้งไม่เห็นจับต้องของเหล่านั้นเกิดนั้นซีริสของที่สุขสามเมืจึงเสนเดาอ่ เป็นอยู่ได้โดยศรัทธาของพวกอุบาสกอุบาสิกผู้ยินดีให้ผ่านทําการสุขผู้ที่ให้มีศรัทธาผู้รับถือเป็นปฏิชาหกปล่ยวสบายในการจะทำบำเพ็ญคิจงานความดีผู้ให้ปรียักันได้กับกองสเสบียง สูรับคิดสู่สามมานนเกือบเนื่อกันกับทหารแนวหน้าทหารที่จะมีกำลังสู้รับาารถกตัดตาหนาที่จะยึดฆ่าศึกปราบศัตรูได้ก็อาศัยเสบียงคืออาหารถ้ากลาไม่มีสเสบียง เพียงหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วทั้งหารจะฝึกสำนึกสำนานในการลบมาสัตวเทรายอาวุธจะดีสัตทรายต่างก็ไม่สามารถที่จะหยุดยกขึ้นต่อต้านศึกได้สันใบปกคาย ก, ายกอุบาสุกอุบาสิกาทั้งหลายที่ได้ถาวายอาหารกานบุนทราบาตลอดถึงข้าเนื่องข้าห่มกลม้วนกัน ผู้ที่ศึกษาแม่เ น, นได้มีกำลังอยู่ในเพะพุตราศาสนาอุสาเอออุสาศึกษาเราเรียนคันถาทุระหรือปฏิปฏบัติเรียกว่านิปัสนาทุระกวดางก่ออาศัยทานให้ทานเป็นเบื้องต้นเทพบุตรเจ้าจึงกล่าวว่าการให้ทานเป็นบุญเป็นกุศลอันต้องฉันอันหนึ่ง จึงบอกเราขายกอุบาสกอุบาสิกาเพื่อเราจะทาบุญเพียรกันมาอยู่ทุกวันทุกเวลานี่แหละทำสอนสองพระพุทธเจ้าสรรเสริานให้ทานว่าเป็นว่ า, ว า, า, ากล่องพระพุทธศาสนาอันหนึ่งทานให้ทานตัวอาศัยของที่มีอยู่นิสระหลักของไบมีจะไปเอาให้ทาน เขาไม่มีให้ทานไม่ได้จะต้องอาศัยถือของมีอยู่เรามีอะไรเราก็ให้ไปตามศรัทธาของเรามีของไม่ดีอยากจะให้ของดีมันก็ให้ไม่ได้อยู่นั่นเองเพราะเหตุใดเขามันไม่มีเรามีอะไรให้ยินดีตามตามมีตามเป็นของตนอย่าเอาอะเห็นว่าการให้ทานของเราต่มช่าลามก หรือไม่ไปหยุดบันจบการให้านพระุทธเ จ, าจา้าจึงกล่าวว่ามีอยู่สามส ถ, ถานเทชาติสถานปหายาทานหรือ 3, าณีจิตทานชาติสถานหมายถึงว่าเราบริโภครูประโภคของ หยุดของดีตัวของเหลานที่เราไม่ใช้นุ่งห่มหรือของเหลวซ่านที่เราไม่รั บ, รบประทานไม่ได้เอาอันนั้นแหละไปให้ทานทังต่ำช้ารามะจุ่มตัวเองไม่ชอบ อ, อกพอใจเห้าทานเข า, ขาตปอย่างนั้นเรียกว่าพลาดทานหรือานต่ำทานอย่างให้พลา ใหคนท้ายฟังมาดีให้เข้าไปว่าอ น, นิสงส์มันก็ต่ำปัหายาทานหมาถึงทานกส ม, มอคนเหมือนคนที่จนนิดจนปัญหารักเข้าออกั น, รน เ, เรารับประทานอะไรก็ยินดีที่จะให้ปหาเขารับประทานนู่นแล้วมุ่งมั่นอย่างเราก็ยินดีที่กว่าคนข้าปัหาเหมือนฝันกับเรา นึงเราเห่มของที่เราทำยุติะละออกไปเสมอกันปัดของที่เราใช้ปร า, าัราาิโภคเราสื่อสาสหายะทานอานิสงส์เป็นปานปานควรสาีธานเป็นทานขัาสูงคือเราน้มเราห่มอย่างหนึง่งพอเราเลือดทับจัดสัน ของที่ดียิ่งก่าที่เราหนุ่งเราผอมไปใหทานเราเขบเราฉันเราอยู่เราจินตางหนึ่งเราเลือกท้าปวสฉันเอาขอ ง, งดีท้องดีไปหทานเกี่วกับสามีผิทา น, า 3, 4, ทานหรือชินวัดทานมาชินวัดทานอุตมะทานทานอย่างอุดมนี่เลือกทานให้ทานเป็นมาอย่างนี้ท้าวเจ้าท้าบัณฑ์บาลามีสั่ห้ทานเย เป็นเวลานมนานเหมือนตัดเมื่อพระพุทธเจ้าได้สาธ้จึงแนะนำคำสอนสัตว์ให้ปฏิบัติในปานให้ทานจึ่งจป็นคำสอนซึ่งพวกเราทั้งหลายมีอยู่เคยทำอยู่และให้ยินดีในการแต่ทำบำเพ็ญของสงฆ์จะเกิดผลดีคามสุขของใจเพราะปานทำไป เป็นสาระประโยชน์แก่บุคคลผู้อื่นตัวเองที่ได้ละเอ่ใสวีดีอกดีใจไม่เหงョเหงนเกี่ยวไว้เชื่อเป็นคนเดียวศิลป์ข้าพี่สองขี่พระพุทธเจ้ า, ารับรองว่าเป็นของดีและเคยมาแนะนำคำสอนตัดทั้งหลายให้รู้จักศิลป์ก่มีอยู่ที่อื่นที่ไกล จึงเลิกทั้งหลายแต่ก่อนไม่เคยรักษาบุคคลไม่เคยที่จะเล่นม า, าวศีลเป็นอย่างไรถ้าผู้ชายเจ้าคว็เก็บเอาศีลจากตาวร า, ายจากใจของเราเนี่ยแหละออกแนะนำคำสอนตัดทั้งหลายใช้ด้วยจับอุบายที่จะตัดเรื่องอของทตำโดนต่อไป <c oughs> ถ้าหาจะเกลี้ยกล่อมประทานศีลยังมีทวามสูงดีเด่นกว่าเรื่องทั้งทางไปอีกเพราะเหตุใดเพราะทานหากเราให้ไปแต่ไม่มีการรักษาศีนเอาเท่าเลยเรียนตันที่เราทําทั่วยังมีติดตัวอยู่อยากทาอย่างไรทําไปตามอําเภอใจทําไปตามอํานาจของทกิเลสปัญหาไม่คิดว่าเขาจะเสียอกเสียใจ ว่เป็นาเป็นเดียนเสียนตนเศรษนั้นพระพุทธเจ้าจีงให้สนใจรักษาสุสีนคือรักษาการรักษาว า, จ า, า, าจากายวาจากไม่มีอยู่กับบุคคลผู้อื่นอยู่กับตัวของเราเอ ง, รงเราจึงมีเวลาที่จะจะ่ทำบาเพ็ญได้ทุกการทุกเวลาเรื่องสีนของเราสีนที่ทำบัญญัติไว้ หาข้อตาม8ปดข้อตาม1ิบข้อตาม12งร้อยยี่สิบเจ็ดข้อตามสีเหล่านี้เป็นสีสังคมปวนสีที่ทำโลกไงงานาบุคคลในจิตตาม 13, รักษาโลกทั้งหลายก็จะได้รับวามเดลืร์ตอนเพราะไม่มีสีมีธรรมกันคนที่ในมีศีจะ อ, อยู่ในจินไดระถานที่ใบประเทศใด จะต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะคนไม่สังวรไม่รักษาชิ น, จ, นจึงคป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้โลกของเราแววหนูเชื่อใจอกันคน ท, ที่ไม่มีชินทิ้งแน่จะให้ทานทำปานสุขสนใหญ่โตละหองฐานสักเท่าไวาาีก็ตามก็ยางเบียดเบียน คนอื่นจับอื่นให้ไรับคามดวอร้อนทัยเวรเกิดขึ้นจากาันไมมีสีนับไม่วดเหตนัน้นฟันรักษาสีจึงรักษาสี่่ายีบากก่าของสมองให้ต้นหนเชืเ่าว่าเรารักสมบัติทรัพย์สนของเราอย่างไรเรารักชีวิตของเราอย่างไรเรารักบุตรธอ์เราเญาตามีของเราอย่างไร คนอื่นสัตว์อื่นเขาก็มีความรักเข้าในชีวิตของเขา<ม>เหมือนกันกับเราเมื่อเราคิดบ้าอย่างนั้นตานที่จะไปทาร้ายเขากานที่จะไปขโมยเขาตานที่จะไปร่วงโกินประเวณีนในบุตรพี่ดาสามีภรรยาเขาก็าจะหายไปเพราะเราคิดถึงอกถึงใจของเราเมื่อเขาร่วงโกน เราจะ อ, อกเส้ยใจขนาดไหนเราจึงไม่ควรที่จะไปเ่วงคนเรื่องกรรมสิทธิ์ของคนอื่นสีนมื่วรักษาไดา้จึงทำโลกให้เยือกเย็นสีน์นความจริงถึงมีห้าริษแดสองรยยสิบเจ็ดระกอไปด้วโดยโทษถ้าหากไมรักษา สีนี้ถ้าผู้เจ้าเจ้าบากไวจนพลาดให้ไม่ให้บุคคลไะทำทั่วทางการรักษาได้อานิสงส์ก่เกิดความยงนตายสบายใจเพราะไม่คิดเห็นชายเห็นเดนที่จะมาสกะเกี่ยวถึงตัวพระตัวของเรามีสีสีนี้เกิดขึ้นจากเจ้าณา ถ้าหารวมลงแล้วศีลเท่าไราก็าตามก็มีตัวเดียวคือตัวเกียรตนาเท่านั้นถ้าในนี้เกียวตินาเราสมองเขาจะเขารักษาทรัพองเขาดีสมองในด่าะว่าเรามีศีลตัวอธินาทานก็ไม่ละแา่ข้าเขาก็หาอยู่หาจีแปลงเขาเอวนพบปักจับทีเราแ่างฟัน จะเอามาเป็นอาหารของ เ, เราเราไม่ได้ฆ่าเว่ารักษาปานาที่บาดบาทปลอดภัยกว่ามาก ช, ชีวิตต้องอาศัยเปานาของที่ควรค่าเราไม่ข่าเรางดเว้นเหนชีวิตของเขาเหมือนปันกับชีวิตของเรารักใข้เหลวงเห็นชีวิตของตัวอย่างไรเขาเกาะติดงมีจิตมีใจรักใ่าชีวิตของเขาอย่างนั้น คิดบ้าอย่างนั้นไม่ฟ้ามากที่จะไปฆ่าชีวต้องเขาไปสบล่วงไดไปช่วยเจตนารักษาไว้ภายในเจทัอ ง, ในใองนนตนเห็นปัดยู่ควนฆ่าในฆ่าเหของทือควนรักควะโมวยมนรักไม่โมย ม, ม, มีเจตนาอยู่ในใจอย่างนั้นเราคือว่าเป็นขีดข้าหาเราไปทำ เรื่องสีเท่าก็คือเราไม่มีเจตนาเรือเจตนาจะทำให้เรื่องใปในชิดจริงชีวิตดุจของขงแห็งแข็งเขาเดืวนนั้นการรักษาสีที่พระพุทธเจ้าบา่าวมีอานิสงกว่าเพราะว่าโลกทั้งหลายที่ดืวดร้อนวุ่นวายกว่าพระมนุษย์ทั่วไปไม่มีสี หากมนุษย์มีสีลทุกท่านทุกคนไปจะไว้เนื้อเชื่อใจสัตว์ทุกจริตต่อกันในต้องมีตำรวจทหารรักษาบ้านเมืองแต่ก็ยวดเยนพระจิตใจทั้งคนเป็นศีลเป็นธรรมด้วยกันเหมือนกับว่าพระเจ้าพระสงค์อยู่รวมกันไม่ได้คิด อิสฉาพยาบาทกันไม่เคยคิดว่าที่สุองนั้นสามเณรองค์นี้จะไปขโมยเอาของถี่วางไว้ที่นั้นที่นี้ไว้นเนื้อเชื่อใจกันได้เพราะผู้ถืมีศีลศีลจึง ท, ทำโลกให้เหยือดเย็นได้โลกจะไม่วุ่นวายเพราะมนุษย์มีสีลศีล มีมอยู่ที่ตายที่บายจาที่นาใจของเราพระพุทธเจ้ามาแนะนำทำสอนก็คือเอาข้องเต่าข้องที่นีออยู่มาสอนกันเทตนั้นทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด่านภาวนาหมนัติที่แนะนำทำสอนสาวกให้รู้จักทอดถอนความยึดมัน่นถือมันม่นในจิตในใจก็ไม่ใช่ เอาออกมาจากที่ไหนมาสอนเอาออกจากกาจากใจที่มีอยู่สดขั่ขวไปนั่นเองใจของเราในที่นี้ที่จารณาหาเหตุหาผลในที่นี้ที่จารียนฝึกฝนอบรมก็เลยเข้าใจว่าเรื่องขั่วไปที่เราจิดใจเรายินดี อีกขาดตามพิมพ์พิจารณาเป็นของดีไปเสียถ้าหากพิมพ์ิจารณาปัญญาคลายวองเตาก็จะเห็นอีกอย่างหนึ่งว่าที่เราผิดออกผิดใจเทิดเฉินมัวเมาเป็นของที่ไม่เป็นสารประโยชน์ไปได้เศรษนนั้นตามแนี้นำผ่านสอนครับพระพุทธเจ้าที่เอาของมืออยู่มาสอน อย่างสอนให้พิจารณากายก็คือตายมีอยู่ตายเป็นที่ตั้งของความลุ่มหลงของปุถุชนคนที่มีกิเลสมาด่าเย็ดตายของเราตายของเขาว่าเป็นของสวยสดงบงานติดตามเถิเทินไปต่างๆ หากคดด้วยทิจารนาจินจังตายของทุกท่านทุกคนเหมือนฟันเมื่อเห็นเหมือนฟันอย่างเดียวกันเรามีอย่างเราเขา ม, มีอย่างนั้นก็ไม่น่าตำหนะไม่น่ายินดีไม่น่าโทษโทษตายของเราเป็นทุกอย่างเราตายของศัตู่ ต, ตายก็เป็นทุกอย่างนั้นตายของเราตกตะกบอย่างเราตายของศัตรูตของบุคคลที่เราตายก็กกตกตะกบเหมือนฟัน เวษนั้นพระพุทธเจ้าจริงแมมนำคาสอนให้พวกเราพิจารณาตาให้เห็นตามเป็นจริงข้างมันว่าตาข้างเรากระตกหรือสะาดตาของเราสวยงามหรือขี้หรืออย่างไรถ้าเห็นตามเป็นจริงผมาา ข, เกกขเออเมเขมืม่อันหนังเมื่อเอ็นกระดูกฟัน แต่พิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงเมื่อเห็นตามเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้ของผู้หญิงก็เหมือนกันกับของผู้ชายของผู้ชายก็เหมือนกันกับของผู้หญิงเห็นของเราจริงคนอื่นฝัดอีกก็จริงเหมือนกันนี่เพระหลงตายของเราจึงไปเข้าเจ้าตายของเขาผู้อื่นว่าสวยว่าง่ายคือท่านสมมติว่าตายก็คือเราตายไปตายไปเสีย ในที่นี้ทิจยานาว่ามันเป็นอย่างไรโดยไปเห็นท้องใหม่เห็นคนอื่นว่าสวยา ง, งานคิด อ, อกทอใจไปผ่านที่ให้ิจยาาตายทั้งเราหยัดตายไปให้ิจยาให้เตา อ, อกเตใจในเรื่องทองตายแับเปลนตายเป็นสุขหตายเป็นทุกข์ใทิจยานาแนนอนลงไปเราทุกวันนี้ที่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 ตกออกจากเนื้อจากตัวของเราไปไม่กี่วันกี่เดือนกี่กีก็จะกลายเป็นดินไปจริงจริงจังๆเราความยึดถือว่าผมขนเล็บปันหนังเป็นของสวยงามเนื่อหาดมันแร่สถาบลงไปเป็นดินจริงจังแล้วเราเคยติตท่องยินดีไหมในดินว่าที่นั้นสวยที่นี่งามอยากจะได้มา ความสงบใจนี้ไหมไม่ใช่จิตอกจิตใจความข็งเหล่านี้เป็นจริงจริงจงจังจังจิตของเราใจสำคัญมั่นหมายว่าหญิงว่ายชายโดยเกิดความพออกพอใจอยากได้ตําหนักยินดีหากคิดพิจารณาจริงจังแล้วตายของเราสักแต่บาตายเท่านั้นไม่มีความสำคัญอะไร ในเรื่องของตายถั่วไปเราจะพิจารณาได้ความกำหนัดยินดีพอใจเป็นเรื่องของใจแท้ๆไม่ใช่เรื่องของตายตายเมื่อมันแปลกมันตายไปแล้วจะไปทิ้งกองกันไว้ในวาหญิงวายชายือตคอยกำหนัดยินดีในกันและกันแต่เพราะว่าเมื่อจิตออกจากร่างอันนี้ไปแล้ว รูปเหล่านั้นเอามากองเทินกันขึ้นจะสูงขนาดไหนก็าตามก็ไม่เคยทำอะไรต่อกันมือจจะเจียจะเน่าลงไปสู่ขังเต่าคือเป็นดินเท่านั้นความสำคัญของใจในที่นี้ที่จะเรีนมาและใจมันได้อะไรจากการลุ่มหลงนอกจากความเป็นทุกข์ในที่จะเรีนมาใค่เข้าอกเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ เรือ่องเหล่านี้ทุกท่านทุกคนย่อมตรวด ย, ย่อมมีด้วยกันทั่วไปเพราะเหตุปะใจของเราไม่เคยสุกผลใจของเราไม่เคยอบรมใจของเราไม่ได้ที่นิจจานาตามจริงจริงของมันใจจึงไปเดืดมั่นคือมั่นว่ากายเป็นของของเราเราเป็นกายกายเป็นเราเมื่อหากที่นิจจารณาจริงจริงจังๆแล้ว ฝายเขาไม่เคยวายเขากิอะไรผมเราก็สมมติเอาขนเราก็สมมติเอาหูตาเราก็สมมติเอาส่วนขาเราก็สมมติเอาเขาว่าเราว่าเป็นส่วนขาไหมเราจะว่าอันใหม่เขาก็เสียใจไหมไม่มีเสีใจไม่มีดีใจร่างกายมันเป็นอย่างไรเป็นเของกลางอยู่อย่างนั้นหน้าที่ของเขาที่จะประทับภาพไป ยินแบบอันนี้จังเขาแก่แปตามหน้าจีของา่เนดีกับเราเราที่ไปหลงกับเขาเรื่องทุกเกิดขึ้นในใจเมื่อเขาแก่ก็ไม่อยากให้เขาแก่เมื่อเขาเจ็บก็ไม่อยากให้เขาเจ็บเมื่อเขาตายก็ไม่อยากให้เขาตายแปอ่านตายขไม่เคยหลงลืมเรื่องของเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็แปลไปตามรของเขา เราแปรลกสลับไปตามดวงของเขาเราก็ห ล, ลุ่มหลงตั้งหางทีนี้ที่ทเจณาของขีนีอยู่ให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงนี้แหละเป็นคาแนะนําัามสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเอาจากของมีอยู่มาแนะนำพัมสอนพระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ที่เจณาของมีอยู่ให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริง จิตจึงจะถ้อนอุปาทานความยึดมั่นสำคัญมาว่าตายของคนหึงว่ายหญิงวาชายออกมาหากในที่นี้พิจารณาอย่างนั้นจะเข้าแก่สัตวานใดจะอยู่ไปนานปสีสิบปีก็ไม่มีเวลาจิตใจที่จะถอนายออกจากที่เลนต์ปัญหาได้เหวุนั้น จงพาตนที่นิพพยานาล้วงของหลางกายให้เห็นตามเป็นจริงว่าริงเหล่านี้ไม่มีความหมายอะไรนอกจากใจไปยึดไปถือใจที่ไม่ที่นิพพยานาเห็นตามความเป็นจริงจึ่งขอดความอุปาทานออกจากสันดาลของตนไม่ได้เมื่อขอดถานอุปาทานไม่ได้ความเลียนได้ตายเกิด เรจะ ต, ต้องยันได้ตายเกิดตายตามอำนาจของธรรมที่เรากระทำเราจะทํากรรมอย่างไรตามเหล่านั้นแหละจะผิดต่อยตามตัวของเราไปให้เกิดในภบน้อยภพใหญ่ถ้ากเราขอบถอนอุปทานได้ทีนี้คือจะได้มาตามจริงจริงจนถอนความยึดมัน่นสําคัญหมายว่าตายไม่ใช่เราเราไม่ใช่ตาย าาออกได้ตานตำแหนังยินดีที่จะมีอยู่ในตายของเราไม่มีเมื่อไม่มีในตัวของเราคนอื่นเราจะไปตำแหน่ยินดีอย่างไรได้ทีนี้พี่เจนนะให้ายกทายในเรื่องเหล่านี้หยุเมื่อหากเราฝึกฝนภรราวนาอบรมมีจริงจังจังให้ยางรู้ในสัจภาพของจริงปวดวไปแล้ว จะไม่มีความยึดมั่นสังคันหมายเรื่องเัวเรื่องตายไม่เป็นของสัมคัญเพราะเรื่องของตายต่างหากตายมันมีหน้าที่อย่างไรมันก็เป็นไปตามธรรมชาติทั้งหมดนต่จิตของเราทุกท่นานหากอดรนจนถึงความเป็นจริงแล้ว <c oughs> เรื่องของขาดสองขันธ์ เห็นเรื่องของมันชัดเจนจะเก็บปวดเล็บเหนื่อยสักเท่าไรเรื่องของใจเมื่ออบรมดีแล้วเวทนาควา ม, าามสุขเวทนาความทุกข์เล็กๆเฉยๆเรารู้เราเห็นตามเป็นจริงเวทนาตัดแตรว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นของที่มีอยู่ประจําตาย ประจันใจแต่ความรู้ที่หลุดออกไป จ, จากเรื่องของเรานามีอีกอันหนาึ่งเรขาแนมจึงเชื่อกันได้ว่าเป็นของาอนายอดนจริงอาสัยไม่ใช่ตัวของสิ่งหากผู้ที่มิจกาเนีเยบพายในเรื่องของเรขนาจะเห็นไปจาก ขึ้นในใจท่องตนเคยที่นิจเจนาเหมือนกันในเมื่อเวลาเข่หนักลงไปบางคราวบางสมัยเรื่องของใจกับเรื่องของตายกับเรื่องของเวทานาเป็นอย่างไรเข้าใจในตัวเองชัดเจนตายเหมือนกับทรองจิตเหมือนกับครอง เวทนาเหมือนกับเสียงถ้ากเปลาอยู่เฉพาะกายเทจิตไม่เข้าไปอับอินมเราเหยียดท้องตายเปล่าจะเป็นเัลวสระกายเวทนานาเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหาจิตกับเปลาเข้าไปกระทบกันหรือไปอามัยกันเวทนานาเกิดขึ้นเหมือนกันกับทล้องเข้าไปเป็นทลองจะไองเป็นเสียงเสมอได้จะได้เสียงเป็นคลองเสมอได เวลาคลอนมันเป็นเสียงกันมาบ่ายอยู่เหมือนปันเหตุนั้นคิดก็เป็นจิตเวท น, นาก็เป็นเวท น, นาตายก็เป็นตายเป็นคนละอันอยู่อย่างนั้นเมื่อมันเป็นคนละอันอย่างนั้นไม่แตสมปรเซตปันมันจะเจ็บปวดมากสักเท่าไหร่ใจของเราก็เป็นอันหนึ่งอยู่รู้เรื่องของเวท น, นาอยู่ไม่ไดเี้ยา อ, อกหายใจไม่อยากจะให้มันเป็น อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งจะส่งทุกขังจิตขึ้นจิตที่ต้องรู้เห็นเรื่องภาพขันตามเป็นจริงอย่างนั้นจะต้องอาศัยกางที่นี่ที่เจ้นาสุดผลจริงจริงจังๆเมื่อเราเห็นอย่างนั้นได้เรื่องความเป็นทานตายเจ็บมเมื่อเจ็บน้อยเท่าไหร่สติจะไปเท่ไปหลงแบบมันเจ็บอย่างนั้นมันปวดอย่างนี้เอาจิตจะออกไม่ได้อย่างที่เราเคย เกิดมาในระยะที่เราไม่เคยสึกฝนเกิดไปไม่ได้จิตของท่านจะต้องเป็นจิตอยู่อันหนึ่งเดียท่านะและตายมันจะเกินไปอย่างเรนั่นหน้าที่ของมันธาตขันมันมีมันจะต้องเกินไปตามหน้าที่ของมันเราว่าเรื่องของธาตขันเป็นอันหนึ่งซึ่งแ้่มไม่ได้มันจะเกินไปตามหน้าที่ของมันอย่างไรเปลยมันไปไม่ใช่เกาะไม่ใช่จิกในเรื่องเหล่านั้นผู้ที่เห็น แม่ถามุแม่ขันเบอรู้สึกไม่มีการลืมไม่มีการหลงไม่มีการคุกไม่มีการลำบากเข้าใจเห็นจริงอยู่อย่างนั้นตามเป็นจร<อ>ิง<อ>ของมัน<อ>นี่แหละการสึกผนจิตใจที่พระพุทธเจ้าแนะนำาำสอนพวกเราอยากจะให้สึกฝนอบรมก็อพราบ อยากจะให้จิตเห็นตามเป็นจริงพระพุทธเจ้าเคยฝึกพระองค์เห็นตามเป็นจริง ม, มาจริงใดมาแนะนําทำสอนพวกเราผู้ที่หลงไม่ได้เท่าศึกษาไม่ได้ฝึกจิตอบรมใจของที่มีอยู่แต่ไม่มีความรู้ไม่มีความสละที่จะทำสาระประโยชน์ให้แก่ตนได้ <c oughs> เหมือนกันกับคนโง่เมื่อมีอยู่เต็มตาเต็มดงจะมาทําบ้านทำเรียน เป็นที่อยู่ที่อาศัยก็ทำไม่ได้เพราะเขาไม่ฉลาดเขาโง่ถ้าคนฉลาดเขาก็ทําขึ้นได้ของที่มีอยู่ตามดินตามยากคนฉลาดหามาเป็นสมบัติของเขาคือขายจับจ่ายได้ทั้งนั้นนี่ถ้าพุทธเจ้า ก, ก็เหมือนกันท่านเป็นคนฉลาดทีที่จ้านาของมีอยู่ให้เป็นของมีละ คมราชาขึ้นมาแนะนํความสว่างศักด์ทั้งหลายมาได้รับความรู้ความสละตามตามพระองค์ใส่ไม่ได้อาศัยของอันอื่นของที่มีอยู่ทั้งนั้นเพื่อพวกเราทุกพันทุกคนมาเดินพลิกที่นี้เปเจรนาหาเรื่องของจริงที่มีอยู่มาทํำสารประโยชน์แก่ตนเองนั้นจิตของเราจึงเกิดตังบนเกี่ยวข้องตัวพัน มัวเมาเสิร์ฟฝันใยตามสัญญาอารมณ์ต่างๆเพราะการตึกอบวมของเรายังไม่เพียงพอบริบูรณ์เพราะเราขาดความสลาดทางการภาวนาทางกาอรอบรมจิตใจเหตุนั้นจงขากันทีิพพิจารณาตามเรื่องของธรรมธรรม ต, ามต่างๆของพระพุทธเจ้าอุ ต, ายยา ส, ตาสาห์พยายามติดตามเข้าถวนในสิ่นสี่ มี อ, อยู่ของตนจนรู้เหตุเห็นผลแจ้งไปจาบจนจิตใจของตนได้พ้นไปจากคว า, า, ามยึดมัน่นถือมัน่นในธาตในขันว่าตนว่าของของตนความหลุดพ้นเป็นอย่างไรก็จะแกมสายเข้าใจในตัวของตัวเองเพราะทำเป็นสันคิสิโกคือเห็นเองเราติด มันเป็นอย่างไรเราพ้นมันเป็นอย่างไรเราจะรู้จะเห็ น, นขึ้นในจิตในใจของเราโดยไม่มีทางสงสัยว่าธรรมะธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเล็กตื้นขนาดไหนจิตใจของเราเป็นไปอย่างไรถึงมีมุดหลุดชั่นหรื อ, อยังเราจะต้องสอบสวนทวนกระแสดูอย่างจิตของเราเมื่อถึงที่แล้ว ความสงสัยลังเลในจิตในใจไม่ว่าในธรรมประเพณใดเราก็จะหายสงสัยขาดออกไปจากอุปาทานความยึดมั่นทั่วไปจิตใจที่ฝุกฝุกฝนอรมได้อย่างนั้นพระพุทธเจา้าขั น, น, นติเราเสริการประธรรมบำเพ็ญของพวกเราทุกท่านทุกคนก่อนที่ จะเข้าสู่ความสงบสุขไดไ้ไม่มีการไม่มีสมัยตายมันจะเป็นไปอย่างไรจิตใจในหวันไหวหรือตังบนหน้าก็เพะอาศัยจะทาบำเพ็ญตามคตาตั้งสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นแต่ที่จะมาตายท่องเราให้แยบถ่ายเข้าใจในเรื่องของตายตามเป็นจริงจิตก็จะบ่งเข้าสู่ความสงบ ว่าจิตมีอารมณ์สัญญาหรือปฏิทินแปลงอย่างเราจิก็จะต้องตามรู้ทุกขณะจนจิตหลุดลอยออกไปจากธรรมยึดของจิตเองเป็นอย่างไรเราก็จะรู้ได้เพราะการประพฤติปฏิบัติของเราเดือนนั้นจงพากันจะทําบําเพลินวันสิ่งนี้จนวันโอกาดีของพวกเราที่ได้โผล่มา นรนวัดวาสาสนาสาลักจิตการบ้านเรือนของเรามาประทับบำเพ็ญให้เจนที่ของเราหาเราประทับบำเพ็ญรู้เห็นตามเป็ น, นเชียงเกิดขึ้นความงสงสัยภายในใจก็จะหมดต่อไปอย่างพระพุทธเจ้าหรือสาวกทั่วไปเหตุนั้น ท, ทําคาตั้งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงเอาออกมาจากของมีอยู่ สวกเราทั้งหลายมีอยู gros, ever, Pit. Pit. Pit. Pit Pit ่ด้วยกันเกิดเจ็เจ็บตายก็มีที่เหลือปัญหามานะทิศก็มีเรื่องของดีที่จิตจิตใจของเราไว้เราไม่ได้สำลัสาสางอะไรเป็นจิตเป็นใจทุกคนเข้าใจว่ามีใจใจคืออะไรเรายังไม่อย่างนี้ว่าใจเป็นอย่างไรใจคืออะไรอะไรเป็นใจถ้าไม่รู้เรื่องของใจก็จะต้องถูกคุกเงาหย่อยไป จิตใจเมื่อที่นิพิมาาหรืออบรมจริงจังแล้วจะต้องเห็นตามเป็นจริงถึงแน่นจิตจะเป็นนามธรรมไม่มีรูปแต่ปัญญาซึ่งอบ ร, รมศึกษากทําทำบำเช็ญกว่าเป็นนามธรรมเหมือนกันของละเอียดย่อมเข้าไปถึงสิ่งที่ละเอียดได้เห็นกันประจับชับใจจึงจะช่วไขเรื่องอุปาทานความยึดของใจได้หากไม่สึก อบรมอย่างนั้นก็ไ ม, ม่มีวันมีเวลาที่พวกเราจะข้ามพ้นไปจากเรื่องของที่เหลือปัญหามาณทิศได้พระพุทธเจ้าสอนเข้ามาสู่กายสู่ใจทำทุกข์ตัใจพื่อเห็นบ่าเกิดขึ้นจากกาย จ, จ, จากใจทางนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นขอทุกท่านทุกคนจงพาการฝึกฝนอบรมตายใจของตนให้ เท่าไปสู่จุดหมายกลายทางอย่างพระพุทธเจ้าที่ประทําบันเทียนมาในอวสานตามแสดงธรรมขอความสุขความเจริญดวงเกิดมีแต่าันต์สุขด้วยกันทุควรหน้เทินเอ๋หลัง